ผลจิตนี้ให้เขาถึงความสงบความสงบนี่เป็นยอดปรารถนาของคนทั่วไปไม่ว่าแต่คนแม้แต่สัตว์สิ่งดิรชิชนมันก็ต้องการความสงบเหมือนกันการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี้ก็เพราะมันไม่สงบนี่แหละ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 ดังนั้นเอความรู้สองประการนี้นะใครๆไม่ควรปฏิเสธเลยควรศึกษาให้รู้ทั้งสองอย่างนั้นเองเนี่ยสำหรับนักบวชแล้วความรู้ในทางโลกนั้นรู้มันจะไม่จำเป็นเท่าไรนักก็รู้ไว้พอเป็นกระสายเมื่อเวลาที่ชาบ้านเข้ามาถาม ก็จะได้ชี้แจงให้เขาฟังบ้างความรู้ในทางโลกนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะจะได้เน้เนแนวทางการทำมาหาเรื่องชีพให้เขาอ่านี่มันก็ดีอย่างนี้พระนิาหากว่าไม่หลงนะคนส่วนมากมันหลงอะ่ะเมื่อตอนมีความรู้ในทางโลกแล้วนี่ก็นึ ก, กว่าตนจะสึกออกไป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 นั่นแหละมันถึงจะเจริญขึ้นได้อย่างง่ายได้คนเรามีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่มีทุนค้ามมันก็แค่นั้นแหละทำอะไรก็ไม่ได้อถ้อไปทํางานทําราชการก็ได้เงินเดือนพอใช้ไปเดือนเดือนพอสิ้นเดือนก็สิ้นเงิน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 นึกว่าโลกนี่จะให้คนสุกแก่ตนหลงมากๆเข้ามันก็ไปทำบาปทำกรรมเพราะคนต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละก็ไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในการมกล่าวมูสาวาดดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นั้น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 เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ขมักขม้นศึกษาลเรียนไม่ขมักขม้นสนใจการสดับตรบปังสวยงยหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมบางคนเอา้าฟังกันจนว่าพอแรงแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้ความรู้อะไรก็มี ความรู้ที่จะเอาตัวรอดจากกิเลสบาปธรรมกรรมันชั่วหมืนี่นะก็ไม่มีแต่เอาฟังมากต่อมากเลยเรียนก็มากบางคนนะจำหลักวิชาต่างๆนี้ได้ดีทั้งทางโลกทางธรรมแต่ถ้าก็ยังไม่มีปัญญาที่จะมากำจัดควงมชั่วออกจากตัวได้ก็มี อนุเนี้ยน่าสังเวชสลดใจจริงๆเนอะนี้เพราะฉนั้นจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำอีกมันบางคนก็มีแต่ความจำไว้เฉยๆนี่นะที่ท่านเรียกว่าปริยัตนะเนะแล้วมันขาดปฏิบัติที่แบบนี้นเนะีนะ่ยมันขาดลงมือปฏิบัติ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 ให้เต็มที่เพราะหลักวิชาความรู้บางอย่างมันยุ่งยากมันเกี่ยวกับความเพียรความอดทนอลงมือกระทาทางกายด้วยกล่าวทางวาจาด้วยคิดทางจิตใจด้วยพร้อมทั้งไตรทวารเลยทีเดียวแวันนี้คนใดขี้เกียจที้ครั้นเนี่ยถึงจะมีความรู้อะไมันก็ ทำงานไม่ได้อพางานบางอย่างมันก็ต้องหนักมั่งอย่างนี้แหละหนักทั้งกายหนักทั้งวาจาหนักทั้งใจทั้งความคิดความอ่านหมู่นี้นะคนเกียจคร้านเฉยชาแล้วไม่สู้เช่นอย่างทำการค้าอย่างนี้ต้องใช้ความคิดมากเลย มันนี่เมื่อบคุคคลใดไม่ฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปนะไปใช้แต่ความคิดอย่างเดียวลจิตสงบไม่ได้เลยนี่มันก็เอาเลยเอาไปเอามาก็เป็นโรค ก, กิตอะ่ะอ่าเป็นโรคประสาทไปนั่ น, น่ยไปไม่รอดนังนั้นนะข้อปฏิบัติในทางธรรมนี่นะเอาไปใช้ทางโลกทางโลกก็ได้นะ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 ฝึ ก, กจิตไม่ได้ความรู้มีอยู่แตห่ห้ามจิตไม่ได้สกดจิตของตัวเองไม่ได้เหมือนคำ ว, ว่าไม่เคยฝึกหัดสกดนั่นแหละฝึกก็ฝึกไปอย่างนั้นแหละพอสาบาลไม่ตายเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีเหตุมาถึงเข้าแล้วมันจึงวันไหวไปเลยจิตใจของคนเหล่านี้นะห้ามไม่อยู่เลย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 เขาด่ามาเราต้องด่าตอบอันนี้เป็นความชอบแท้เนมองเห็นได้อย่างนั้นเนีเขาตีมาเราต้องตีตอบอันนี้ก็เป็นความชอบอันหนึง่งซึ่งไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็ เ, เคยพูดให้ฟังและยกทั้งบาลีมาอ้างให้ฟังมันก็ยังไม่ปฏิบัติตามบางคนนะอื ไม่จำเลยอันไ ม, มติทางพุทธศาสนานะพระพุเทธเจ้าทรงตรัสว่าอโกเทนชีเนโกทังเพิ่งเอาชนะความกโกรธ ด, ด้วยไม่กโกรธตอบอะสาธงสาทุนาชิเนเพิ่งเอาชนะความไม่ดีด้วยการทำดีต่ อ, อนั่ น, น่ย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 นับถือพระสงฆ์สาวกของพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของตอนทุกข์นเลยอ่ะแล้วจะนึกอมตะเป็นที่พึ่งเท่านั้นอย่างเดียวแล้วไม่ละกิเลสป่าปธรรมตามคำสอนที่ทรงแนะ น, นำไว้อย่างนี้นะจะได้คุณเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งได้อย่างไรอ่ะอือก็คุณทั้งหลายเหล่านั้นนะ ก็กลัวว่าจะเป็นของประเสริฐได้คือว่าเจ้าของพระคุณเหล่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะพระองค์คนละบาปบําเพ็ญบุญมาแล้วนอกชาติไม่ทวนนั่นคิดดูให้มันเห็นอันพระธรรมนั้นน่ะก็เกิดจากพระไยอันบริสุทธิ์พุดพ่องของพระพุทธเจ้านั่นเลยนี่ ว่านั้นพระธรรมเมื่อเกิดจากพระไทรริสุทธิ์อย่างนั้นก็เป็นพระธรรมอันบริสุทธิ์เหมือนอย่างแก้วหรือว่าทองคําธรรมชาติที่นายช่างเขาเจียระไนเขาหล่อหลอมดีแล้วไล่ลลลสนิมออกหมดแล้วนะมันจึงเปล่งแสงเววาวออกมาเป็นที่น่าต้องการปรารถนาเลยสำหรับคนมีสตังหรือคนมีปัญญานะ คนไม่มีปัญญาแล้วก็เห็นแล้วก็เลี้ไปแล้วไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอะไรต้องการเลยอย่างที่ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างไก่เห็นพลอยนะั่นแหละมันไก่มันไม่รู้ว่าปลอยนะั่นมันมีค่าอะไรมากมายมันไม่รู้เลยมันก็ไปเขี่ยเล่นไปอย่างนั้นแหละอันนี้ท่านใดก็อย่างนั้นแหละคนเรานะ่ะ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 ดื่มสุราไม่ไรเครื่องรองของเมาของเสพติดโทษทุกชนิดในนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ้าวเป็นไปไม่ได้คำว่าความโลภนั่นก็หมายถึงความเพี่ยงเลงความที่ไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นาเป็นของตนอย่างนี้นะพระโสดดาบันไม่ทำหรอไม่ทำแต่ไม่ทำทำไมมีความโลภอยู่ อันความโลภของวโสดาบันน่ะเพียงแต่ว่าเพ่งเล็งไปเท่านั้นแล้วไม่ลงมือทําคือว่าจิตอยากได้เท่านั้นเลยไม่ใช้กายทําไม่ใช่วาจาพูดไปตามความคิดนั้นเพียงแต่ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตัวได้ว่านั่นไม่ใช่ธรรเท่านั้นแล้วท่านก็งดอ่าเป็นอย่างนั้นแม้ความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยท่านก็ยังละผานไม่บมด โกรธอยู่แต่ว่าเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วไม่ถึงกับว่าได้ลงไม้ลงมือประหัตประหารผู้อื่นไม่ลงถึงกับว่าได้กล่าววาจาหยาพายัยเสียบแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอนั่นเมื่อเมื่อท่านรู้ตัวว่ า, วาโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็รีบรั ง, งับเลยนี่กิเลส ข, ของพระโสดาบันให้พึ่งเข้าใจ ทีนี่ปุถุชนแล้วไม่เป็นอย่างนั้นสิความโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่รู้ตัวอะไรร ะ, ะงับแต่ภายในจิตใจไม่ได้เลยก็ต้องแสดงออกทางกายทางวาจามาแล้วตบตอีอย่างอ่อนน้ น, นี่นะถอย่างแรงก็ยิงฟันแทงด้วยอาวุธสัตรา นั่นเอาให้ถึงแก่ความตาย น, นเนี่ยว่าจากกล่าวยาบคายด่าโคตรพ่อโคตรแม่อะไรต่ออะไรของคนอื่นเข้าไปนั่นเรียกว่าวาจาชนิดที่อยาบคายเรียกว่าเป็นบาปอกุศล น, นะพระโสราบันไม่มีไม่ได้กล่าวว่าจาอย่างนี้อ่า ให้พึ่งเข้าใจแม้ความหลงก็ยังมีอยู่พระโสดาบันนะแต่ว่าความหลงในขั้นนี้นะไม่สามารถที่จะให้ท่านได้ไปทาบาปดังกล่าวมาท่นได้เพียงจะหลงไปนิดๆหน่อยๆไปตามธรรมดาเฉยๆเดี๋ยวๆก็รู้ตัวไม่ถึงกับว่าที่จะไปให้ทําบาปมีค่าสัตว์เป็นต้นได้ไม่มี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 เไปได้ถ้า ผ, ผ, ผู้อื่นสอนเมื่อตนไม่เอาตามไม่จำอุบายนี่เป็นสอนใจตัวเองน้องก็แค่นั้นแหละมันจะละชั่วทำดีไม่ได้เลยคนเรา อ, อืมก็อย่างที่พูดมาแล้วข้อปฏิบัติสามประการนี้นะทั้งของเครืหัดทั้งของนักบวชกระลวนแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลส อันมันหมักนองอยู่ในจิตใจมานมนานนับชาติไม่ทวนแล้วการให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องกำจัดความโลภความตะนีออกจา ก, ก จ, จิตใจให้เบาบางไปโดยลําดับผู้ใดให้ทานมากเข้าไปเท่าไรความโลภความตหนีมันก็ยิ่งเบาไปเท่านั้นตลอดถึงให้อภัยทานอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนะั้นยิ่งกิเลสยิ่งหมดไปหลาย อ่านั่นไงการรักษาศีลอย่างนี้การเจริญเมตตาการุณาอยู่ทุกวันทุกคืนอย่างนี้มันก็เป็นอุบายสำหรับความจัดความโกรธความพยาบามให้บาบางออไปจากขีตใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นนะเมื่อปฏิบัติไปไม่ถอยถอยมันก็หมดไปได้สิ้นไปได้คนะแต่ละบางคนก็ยังปรากฏว่าทั้งที่มาแสดงตัวว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ย ก็ไปยังบรรเทากิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากขิดใจไม่ได้ยังแสดงความโกรธออกมาทางกายวาจาได้อยู่เนี้ยน่าทุเรศ จ, จริงๆเนะความจริงเนะ้เมันควรจะให้ขุนอยู่แต่ในใจเท่านั้นก็ยังดีอยู่นะอย่าไปแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็ยังน่าพอเป็นฐานดีอยู่ เพราะมันไม่เดือดร้อนถึงผู้อื่นเดือดร้อนแต่ตัวคนเดียวเมื่อเมื่อห้ามจิตนั้นให้มันขุ่นอยู่แต่ในจิตใจอย่างเดียวเท่านั้นเนาะต่อไปตนก็พยายามกําจัดมันออกไปอ่ะพยายามละมันไปอย่างนี้นะมันก็ไม่เหลือวิสัยอะ่ะเช่นความหลงเลยนี่ การภาวนานี่ที่พระองค์เจ้าสงสอนในภาวนาก็เพื่อกาจัดความหลงนี่โดยตรงเลยเพราความหลงนี่นะหรือว่าคนผู้หลงนี่นะหมายถึงคนที่ไม่มีสติสมบัติเช่นเนี้ยระลึกถึงตัวเองไม่ได้รู้เรื่องราวของตัวเองไม่ได้เนี่ยพูดกันอย่างง่ายๆรู้ว่าตนนั้นอนะ่ะเป็นอยู่อย่างไรเท่าวันเนี่ย อ่ตนพอใจในบาปยึดเอาบาบไว้หรือไม่ไม่ไม่รู้เลยทั้งที่บางคนนะ่ะทําบาปอยู่ปันใดก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตนมีบาบอยู่ในตัวก็เพราะฉะ น, นมันถึงไม่เพียรละบาบมีแต่สร้างบาปเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆกระพราะมันหลงนั่นนะมันลึกถึงบาปไม่ได้เลยมันไม่รู้เลยว่าบาบมันเอานวยผลให้เป็นทุกข์ได้อย่างไรอ่ ะ, อะ แล้วก็มองไม่เห็นหนทางที่จะกำจัดบาปออกจากหัวใจเลยบางคนเนะี่วบาปก็จาเป็นแล้วเพราะว่าทำยังไงได้ไม่ทำก็ไม่ได้กินอเอาแต่อันนะั้นมาอ้างเอาแต่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้แล้วตนจะได้กินได้ใช้ไปนานถักเท่าไหร่นะเนี่ยมันไม่ได้คิดเลยอ่าตนจะอาศัยร่างกายอันนี้ไปนานเท่าไหร่นา ไม่มันไม่ได้คำนึงเลยแหละเพราะมันถ้ลึกไม่ได้นี้เรื่องมันนะอันนี้แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี้เมื่อเรามาแจงออกมาดูงี่ละมันล้วนตั้งแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสป่าประธรรมอกจากขิดใจนี้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มารู้แนวทางปฏิบัติต่างกล่าวมานี่ละเพื่อนจึงได้คามักขมนนะ่นเนี่ยจึงไม่ประมาทนั่นเอง ก็ยังให้ลงมือปฏิบัติรำเอื่องภ า, า, าวนานี่ก็เป็นเรื่องพยายามทำความรู้ตัวอย่างว่านี่นในสติปัฏฐานสี่นั้นพระศาสดาทรางแสดงไว้นั้นก็ลองสังเกตดูล้วนแต่สอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มากำหนดรู้ร่างกายสังขารทุกส่วนนี่นะรายละเอียดมันแจ้งออกไปทุกชิ้นเลยนะรายละเอียดของสติปัฏฐานนั่นนะ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 ให้เห็นสัตวะมดทั้งนั้นอาการทั้งสี่อย่างนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมันเห็นแจ้งขึ้นมาโดยจริงก็เป็นญาณความรู้ก็สามารถละความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าอันนี้ได้เมื่อละความยึดมั่นถือมาในขันห้านี้ได้มันก็เป็นอันว่าละความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้โดยประการทั้งปวง ดังสแสดงมา